มรรคผลและตัณหาเนี่ยเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่ทุกขสัจจะที่ต้องทําปริญญาคือหลักหลักการคิดง่ายๆว่าถ้าทุกขสัจกิจเข้าคือปริญญาสมุทยัทยสัจกิจเข้าคือละนิโรสัจะกิจคือทําให้แจ้งมรรคสัจ ก, กิจคือเจริญอันนี้คือหลักของอริยสัจมีอยู่เท่านี้อะไรก็ตามอ่ะถ้ามาวิเคราะห์แล้วอ่ะไม่เข้าในกิจเลย ไม่เข้าในกิจของอริยศัสตร์ก็แสดงว่าไม่ใช่ตัวสัจจะนั้นๆอย่างเช่นคำว่าทุกเนี่ยทุกเพราะไม่เที่ยงกับทุกขสัจจะก็ขอบเขตก็ต่างกันคือคคำว่าทุกนี่กว้างขวางมากสังขารธรรมทุกชนิดเรียกว่าเป็นทุกหมดเพราะไม่เที่ยงแต่ทุกขสัจจะอยู่ขอบเขตเพราะแค่ทุกขสัจจะขอบเขตแค่อุปาทานขันห้า สมุทัยสัตว์คือตัวใดที่ให้ผลได้อะนะตัวนั้นเป็นสมุทัยหมดตัวใดที่ให้ผลได้แต่สมุทัยสัตว์จะนี่เน้นไปที่ตัญหาอย่างเดียวจริงๆนะทุกขสัตรว์ก็เป็นเหตุใช่ไหมทุกขสัตริย์ก็เป็นเหตุนะมรรคษัตริย์ก็เป็นเหตุแต่เหตุอันนั้นไม่ใช่สมุทัยสัตว์จะนั่น ถ, ถ้าทางข่าฝ่ายกุศลนะครับฝ่ายกุศลนี่นะฮะ วายกุศลเป็นทุกข์แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกขสัจคือมักเลยวายกุศลนะเจริญพกุศลที่เป็นทุกข์แต่ไม่ใช่ทุกขสัจจะคือมักอย่างเดียวอริยมักก็กุศลทั่วไปกุศลทั่วไปเนี่ย เ, เป็นทานกุศลเนี่ยเป็นทุกขสัจเป็นทุกขสัจจะหมดแม้กระทั่งชาณกุศลก็เป็นทุกขสัจจะเพราะเป็นธรรมที่ต้องทําปริญญาญา ปริญ ญ, ญาเพราะว่าทุกขสัจจะหมายถึงอุปาทานขันห้าอ่นะอุปาทานขันห้าเป็นเป็นเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นทุกข์ด้วยเพราะไม่เที่ยงอ่นะคำว่าทุกขให้เฉยเพราะไม่เที่ยงเป็นทั้งทุกขสัจจะด้วยเพราะว่าต้องทำปริญญาส่วนมักกับผลเนี่ยแล้วตัวตันหานะ มักผลตันหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่ทุกขสัจจะเพราะไม่ไม่ได้เข้าในกิจต้องไปทําปริญญาอะไรก็เลยจากกิจแปดสิบเอดวงไปทั้งหมดนั้นไม่ใช่ทุกขสัจกิจจเจตสิกที่เลยแปดสิวงไปถูกไหมครับเออนั่นไม่ใช่ทุกขสัจ เอาง่ายง่ายไงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อันนี้คือนิยามของคำว่ทุกข์อ่ะนะก็โลภุตรจิตแปดก็คือจิตเจตสิกรูปทุกชนิดอยู่ในเงื่อนไขสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาแต่ในบรรดาสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นก็มาดูว่าตัวใดที่เป็นอุปาทานขัดท่า ตัวนั้นเป็นทุกขสัจจะคือวิจิฉรยงี้ได้ไหมครับว่าบรรดารทำใดที่ไม่ไม่เบียดเบียนนั่นแหละไม่ใช่ทุกขสัจถ้า<ม>ทำนั้นเ<ม>บียดเบียเนเป็นทุกขสัจอันนี้อันนึงก็สามารถขคิดในแง่นั้นก็ได้แต่มัคสัตว์เนี่ยนะเพราะไม่เที่ยงก็อาจจะคิดว่าพระนิยามคำว่าเบียดเบียนเนี่ยหมายถึงอะไร เพราะมันถูกปัจจัยปรุงแต่งไงเพราะมรรคจิตเนี่ยมรรคเนี่ยมันก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งนตัวอื่นไม่ครับถ้าตัวอื่นเนี่ยนะฮะไม่เรียกไม่ไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนเช่นมรรคจิตเนี่ยนะฮะมรรคจิตวโลกุตรจิตเนี่ยนะครับไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนแต่ว่าก็ยังเป็นสังาอยู่นั่นแหละก็เพราะไม่เที่ยงเอาเอาสัสามที่เหลือมาสุบเลยว่าไม่ได้ผู้ใสคือสัจจะวิมุตด้วยผลจิตไงผลจิตก็ เป็นทุกเนี่ยนะมรรคผลตันหาอันนี้นี่คลุมที่สุดแล้วส่วนสมูทัยเนี่ยนะตัวอวิชาตันหกรรมอาหารนามรูปพวกนี้ภาษาพวกนี้ก็เป็นสมูทัยหมดนะแต่ที่เป็นสมูทัยศาสตร์มีอันเดียวคือตันหา <c oughs> คือคือที่น่างงก็เพราะว่าในบรรดาตัวทุกเนี่ยนะมันเป็นทั้งตัว ตัวเหตุและตัวผลในตัวเสร็จหมดในปฏิจจทูตบาทพอตัวมันเป็นผลแล้วตัวเองก็เป็นเหตุต่อไปแต่ไม่ใช่สมุทัยสักเจ้าท่เว้น <When S 2> ตัวตัณหาเราเราคิดคิดดูง่งายๆดีว๋ว่าทุกนิยามของทุกคือไม่เที่ยงทุกขสมทยัยเอ่อทุกขสัจจะ เ, เพราะเป็นปริญญาธรรมคือต้องเอามาทําปริญญา ถ้าสมุทัยศาสตร์ล่ะขออภัยสมุทัยเฉยๆก่อนนะสมุทัยคือเหตุที่ทําให้เกิดผลตัวใดที่ทําให้เกิดผลได้ตัวนั้นเรียกว่าสมุทัยกับสมุทัยศาสตร์จะสมุทัยศาสศตร์จะคือตัวที่ทําให้เกิดทุกตัวที่นําเกิดในพบใหม่ตัวที่ทําให้เกิดทุกตัวนีโรดนะนี่โรดเฉยๆแปล ว, ว่าดับอะไรดับก็ช่างเลยขอดับดับอย่างเดียวแล้วศัพ กับนิโรธสัจจะอันนี้หมายถึงพระนิพพานใช่ไหมสมุทยัยสัจจะมีขอบเขตนี่หนึ่งว่าเป็นปะหาตัปพระเพราะเป็นธรรมะที่จะต้องละส่วนนิโรธสัจนะนั้นเป็นสัจชิก า, กาคือทำให้แจ้ ง, ง, งส่วนมรมร ก, ก็แปลว่าทางลหละทางให้เฉยเนี่ยจะทางไปไหนก็ทางหมดอ่ะกับมรคสัจจะ มัคคสัจจะที่เป็นภาวนาหรือภาวนาต้องต้องเจริญขึ้นถ้าถ้าจำตรงทุกขสัจได้ดีจมาริยสัจได้ดีแล้วนะที่เหลือก็ไม่ยากว่าทุกขสัจคือง่ายๆนะอุปาทานขันท่าคือองค์ฐานให้กับโลกิยจิต8ปดเอดเจตสิกที่ประกอบห้าิบอ็ด รูปีสสมุทัยศัตร์คือตันหานิโรศจจะคือนิพพา น, นนะมัคศาต์คือมัค8มัค8ที่ในมัคจิตเฉพาะองค์มัค8ที่ในมัคจิตเท่านั้นนะงจะเรียกว่ามัค ในจิตอื่นๆถ้าต่ําลงมานะไม่ใช่มัคสัจัป็นมะเป็นมัค <lightweight> เพราะคําว่ามัคแปล ว, ว่าทางทางเฉยๆใช่ไหมทางจะแบบแบบเพราะโดยสับนะทางเท้าก็เรียกว่าทางไงทางรถทางเรือเนี่ยเป็นมัคปัจจัยเป็นมัคนะเช่นอากุศลก็มัคไปสู่อาบายอย่างเงี้ยนะทานอากุศลเป็นต้นก็มัคไปเกิดในสุขติสมัติฐาทั้งหลายที่เป็นฌานก็มัคไปสู่พรหมโลกเนีย่ย ทีนี้ในบรรดามรรคทั้งหมดเนี่ยอรยิยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประเสริฐที่สุดนะอันนี้จึงเป็นมัคสัตย์จะถ้าต้องยกตัวอยา่างยกตัวอย่างเลในจิตเจตสิกกลู่เนี่ยขึ้นมาตุ้งตัวงคับแล้วไล่ท่านลองไล่ให้ให้ชมทักรอบนึงเลเช่นสมมุติว่าเอาเอาเอาโลหะนับเอาเอ า, เอาอะไรดี เอาโลภะประเภทนี่ประโยชน์อะไรครับอัลโทสะก็ได้อัลโทสะยกมาว่างไงอัลโทสะโทสะจัดเป็นทุกยังไงทุกขัตริยังไ ง, ง, ไงเป็นสมุทยัยยังไงเป็นสมุ ท, ทัทยษัสสะยังไงนี่รั่วยังไงอันเนี้ยดทต้องต้องจัดลงวันนี้นี่ได้เลยครับเช <c oughs> ่นสมมุติว่าโทสะนะฮะโทสะ เป็นอุปาทานขันเพราะฉะนั้นโทสะเป็นทุกข์ด้วยเป็นทุกข์กษัตรย์ด้วย mm hmm. ดูไหมครับเป็นสมุทยโทสะเป็นสมุทยแต่ไม่ใช่สมุทยัยสัตร์ดูไหมฮะโทสะนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โทสะก็ดับเป็นโทสะดับขณะที่โทสะดับก็เป็ น, นเป็นนิโรธแต่ไม่ใช่นิโรธสัจจ <c oughs> ะท่านจัดดีครับลมั โทสะก็เป็นทางเหมือนกันคือทางไปสู่บาย <laughs> แต่ไม่ใช่มษรรคสัตว์จะาะนะถ้าจะคิดแบบผู้การแบบนี้ก็ <c oughs> ก็ได้นะเพ <ๆ S 2> ราะว่ามันมีบางตัวไล่แล้ว<ม>จะจะเห็นชัดครับ <c oughs> แต่สมมติ ว, มว่าตัวฝ่ายกุศลน ะ, ะ <c oughs> ถ้ามากุศลมาตัวหนึ่งนะฮะมหากุศลดวงที่หนึ่งทิศตะวตนะฮะอนมากุศลดวงที<ไ>่หนึ่งเป็นทุกเป็นทุกด้วยเพราะไม่เที่ยง เป็นทุกข์กษัตริย์ก็ต้องเอามาทำปริญญานะมาคุศลดวงที่หนึ่งเป็นสมุทัยเพราะเพราะเป็นเหตุให้เกิดวิบากแต่ไม่ใช่สมุทัยสัจจะที่ต้องไปละขณะที่กุศลดับก็เป็นนิโรธใช่ไหมเพราะมันดับอ่ะเป็นนิโรธแต่ไม่ใช่นิโรธสัจจะไม่ใช่นิพานกุศลนี่ก็เจตสิกที่เกิดร่วมในกุศลก็เป็นมรเพื่อเกิดในมนุษย์แล เทวดาแต่ไม่ใช่มกษัตริย์ที่เจริญแล้วพ้นทุกในเพราะตัวขณะนั้นนะตัวพ้นทุก์ไม่ได้อยู่ที่ท อ, อันนะใช่ก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเกิดร่วมอยู่ในนั้นแต่ทีนี้ถ้าถ้าเราคิดแบบอันนั้นก็คือมันใช้เวลามากไปแต่มาดูว่าตัวนิยามเนี่ยทุกข์กับทุ ก, กข์กษัตริย์สมุทัยกับสมุทัยัศ นิโรธกับนิโรศัรจจะมากกับมัคสัศจจะถ้าไปคิดตามนี้ได้ก็ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาละเพราะคาว่าสมุทัยคือตัวที่ทาให้เกิดผลอย่างเดียวสมุทยศัจจะคือสิ่งที่จะต้องละทีนี้ถ้าอันนะั้นเป็นวิธีคิดองค์ธรรมอ่ะนะน่นนเน่ถ้าขณะที่เป็นศัจจะเนี่ยนะก็คือขณะที่ที่เรียกว่าเป็นศัจจะเพราะว่าเอาตัว มรกกับตัวนิโรธเป็นเกณฑ์ส่วนทั่วทั่วไปนะขณะที่มรกมีนิโรมศมรคสัจจะมีนิโรศสัจจะเป็นอารมณ์ชื่อว่ากําหนดรู้ทุกโดยกิจละสมุทัยโดยกิจนะชื่อว่ากาหนดรู้ทุกโดยกิจละสมุทัยโดยกิจนะก็ก็จะเป็นระดับสูงสุดก็จะเอาไว้ระดับนั้นไปเลย ถ้าถ้าไปทําปริญญาเยอะๆคงจะได้เนะคือทําใดไม่ไม่มีตันหาและทธิถิเข้าไปเข้าไปยึดถือนั้นเนี่ยนะถ้าอันนั้นเนี่ยเป็นทุกแต่ไม่ใช่ทุก ก, ก็นิพานก็ตันหาลัทธิถิไม่ยึดอีกอก็ไม่ใช่หมดก <c oughs> ็ คือถ้าจําสูตรง่ายๆก็อย่างว่านะเนี่ยโลกิยจิตแปดสเอ็ดเจตสิกที่ประกอบห้าิบเอ็ดรูปยีย่สิบแปดพวกนี้เป็นทุกข์ด้วยเป็นทุกขสัจด้วยนะตัณหาเป็นสมุทัยด้วยเป็นสมุทัยยสัจะด้วยองค์มร์แ8ดในมรคจิตเป็น ม, นมร์ด้วยเป็นมรคสัจจะด้วยนี่โรสนิโ ร, โรสัรจะคือพระนิพพานเนี่ยนะเป็นทั้งนิโรด้วยเพราะดับแล้วก็เป็นทั้ง นิโรศสัจจะด้วยส่วนที่เหลือก็ไปคิดว่าอะไรมันเข้าอันไหนก็มันเข้าทุกเพราะไม่เที่ยงไหมมันเข้าสมุไทยเพราะให้มีผลไหมมันเป็นมักนำไปสู่ที่ไหนไหมมันดับเป็นไหมอย่างเงนะี้ยนะก็ว่าไปตามนั้นไปคืออย่าลืมว่านัยยะนี่มันเป็นการเอามาวิเคราะห์นะฝึกคิดนะฝึกคิดให้มันยาณสัมปยุทธเกิดบ่อย โ ล, ก, ลกุตรจิตนี่นะเป็นทุกข์แต่ไม่ใช่ทุกข์ัต์นีไงในในในตารางอ่ะนะในตารางเนี่ยดูข้างล่างจากอุปาทานขันหว่าทำทั้งหลายที่สัมปยุตกับมัคคจิตและผลจิตเนี่ยปกติแล้วไม่เที่ยง น, นะไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าไม่เข้าในสัจจะสี่เลย ทำที่สัมปยุตกับมรคจิตนะเวน้นเวน้นองค์มรคแปดซะที่เหลือเป็นสัจจวิมุตต์หมดในในขณะองค์มรคเกิด น, นะตัวมรคแปดเท่านั้นแหละที่เป็นมรคตัวจิตและเจตสิกที่เหลือภาษาเวทนาเป็นต้นนี้เป็นสัจจวิมุตต์พ้นสาจาัจจะพ้นอริยพ้นสาจาัจจะสี่นะทำไมจึงชื่อวิมุตต์วิมุตต์แปลว่ามันพน้นพ้นยังไง ก็มันไม่ใช่สัตยศาสี่เพราะมันไม่เข้าในในอรยิยศาสตร์สี่สักอันเลยสมุติอนนานัาในโสดาปติมภ์เลยนะโสดาปติมภ์เนี่ ย, ยถ้าระดับปฐมฌานมีเจตสิกประกอบ36 36ก็อัญญสมน า, าเจตสิกสิบสาณสาธารณเจตสิกวีรติเจตสิก 3. ปัญญาเจตสิกอีกหนึ่ง ทีนี้สามสิบหกลบแปดคือตัวที่เป็นองค์มร์มีแค่แปดสามสิบหกเอาออกแปดเหลือยี่สิบเท่าไหร่เหลือยี่สิบสี่ใช่มหมยี่บแปดหรือย4 <24. S 1> 28, 28ิบสี่นนยี่สิบแปดยี่สิบแปดและจิตจิตเนะี่ยมันเข้ามร์ข้อใดไ้มล่ะ ไม่ใช่มรรคใช่ไหมตัวตัวเจตสิกที่ประกอบยี่สิบแปดและตัวจิตน่ะ น, นะเป็นมรรคสัจจะในในหนึ่งมนแปดมีไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่อริยมรรคถามว่าในจิตและเจตสิกเหล่านี้เนี่ยนะตัวเนี้ยต้องมาทำปริญญาไหมไม่ทำเพราะฉะนั้นพ้นทุกขสัจต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปละไหมไม่ต้องก็เลยพ้นสมุทัยสัจจะ แล้วต้องต้องทำให้แจ้งไหมไม่ต้องก็เลยพ้นนิโรสัจจะพันตัวที่เจริญมีแค่แปดตัวที่เหลือเลยเรียกว่าพ้นนีนพ้นพ้นสัจจะน่นะส่วนสามัญญผลจิตเนี่ยนะสามัญญผลลจิตสี่ดวงและเจตสิกที่ประกอบสามสิบหกนั้นอนะ่ะอันนี้ไม่เข้ามรรคศาตร์เลยใช่ออขออภยัยไม่เข้าทุกศัสตร์เลย เพราะไม่ใช่ปรินย ญ, ญาธรรมไม่ใช่สมุทั ย, ยาศาสตร์ที่ต้องไปละไม่ใช่นิโรธศาสตร์ที่ต้องทำให้แจ้งแบบนิพานนะนะไม่ใช่มัดที่ต้องไปเจริญเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัจจวิมุติเรียกว่าพ้นพ้นสัจจะสี่สัจจะวิมุตแิแปลว่าพ้นจากสัจจะสี่ประการก็เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงนั่นไงคือทุกข์เพราะไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่ <c oughs> ทุกข์ <c oughs> แต่ไม่ใช่ทุกขสัจจะที่ต้องเอามาทำ ปริญญา น, น่ก็เลยเรียกว่าเป็นสัจจะวิมุตต์นะ ในเอกสารนั้นจึงกล่าวว่าส่วนสมุไทย น, นะนะสมุไทยกับมักนี่ก็เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงแต่ไม่ใช่ทุกขสัตว์นะตัวข้างบนสุดนั่นแหละเป็นอุปาทานขันท่าเนี่ยเป็นทั้งทุกทุกเพราะไม่เที่ยงด้วยเป็นทั้งทุกขสัตว์เพราะต้องทําปริญญาส่วนสมุไทยกับสมุทยาสัจจะเนี่ยนะสมุไทยคือตัวที่ทําให้เกิดผลใช่ไหม สมุทยัยสัจจะคือสิ่งที่ต้องต้องละตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มีผลด้วยเป็นทั้งสมุทยัยสัจจะเพราะทำให้เกิดทุกข์ด้วยส่วนกิเลสอกุศลที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะเว้นตัณหาเนี่ยเป็นสมุทัยเพราะทำให้เกิดผลแต่ไม่ใช่ทุกขสัจไม่ใช่ไม่ใช่สมุทยัยสัจจะมัก ทุกและมรรคเนี่ยเป็นสมุทัยเพราะเป็นปัจจัยให้เกิดผลแต่ไม่ใช่สมุทยสัจจะทุกกับมรรคเ่ยนะทุกก็ทําให้เกิดผลได้มรรคก็ทําให้เกิดผลแต่ว่าไม่ใช่สมุทยัทยสัจจะอะไรส่วนนิโรดนิโรดหมายถึงความดับนะเพราะนิโรดแปลว่าดับ ส่วนนิโรศจจะหมายถึงทำที่ต้องทําให้แจ้งอันนี้หมายถึงพระนิพพานนิพพานคืออสังขตะธาตุนั้นน่ะเป็นทั้งนิโรธเพราะดับแล้วก็เป็นทั้งนิโรศจจะที่ควรทําให้แจ้งส่วนสังขาระนิโรธคือดับสังขารและนิโรสมาบัติเนี่ยนะอ่านิโรสังขารคือสังขารดับและก็นิโรสมาบัติเนี่ยพวกนี้เป็นนิโรธแต่ไม่ใช่นิโรศจจะ ทุกและมร ก, ก็เป็นนิโรธเพราะดับนะทุ ก, ก็ดับใช่ไหมพวกนี้เป็นขณะนิโรธนะขณะนิโรธเรียกว่าดับเป็นขณะขณะไปอันนี้ก็ดับแต่ไม่ใช่นิโรศจัจจะที่ต้องไปทำให้แจ้งอะไรส่วนมร ก, ก, กับมรคศจัจจะนะมรเป็นทางส่วนมรคศจัจจะหมายถึงธรรมที่ต้องเจริญ อริยมรตมีองค์แปเป็นทั้งมรตด้วยเป็นทั้งอริยมรตด้วยส่วนมรตอื่นเช่นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะมรตอื่นมิจฉาทิฐิหรือพวกสัมมาทิฏฐิเป็นต้นที่เกิดร่วมกับมหากุศลทั้งหลายเป็นเป็นมรตแต่ไม่ใช่มรตศาัตร์เพราะมรตศาสตระต้องเป็นอริยมรตในขณะมรตเท่านั้นทุกสมุทัยก็เป็นมรตเพราะว่านําไปสู่ภพ แต่ว่าไม่ใช่มักที่จะต้องเจริญตั้นหาก็เป็นทางทางนาเกิดในภพใหม่อ่ะนะแต่ไม่ใช่ว่าทางต้องปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อะไรอันนี้ก็เรียกว่าเอาเอามาฝึกคิดดู่นะทุกข์ตัวนี้เนี่ยตนะัวนี้เนี่ยทุกกับสมุทัยตัวทุกข์นหน้า่สมุทัยช่องช่องช่องสมุทัยไอยช่องมเนี่ยนะทุกข์และสมุทัยเป็นมักเพราะเป็นทางไปสู่ภพนี่นะ สมุทัยเนี่ยก็หมายถึงตัณหาทุกก็หมายถึงเช่นเจตนาอย่างเงี้ยมหากุศลทั้งหลายเนี่ยเจตนาในกุุลพวกนี้เี่ยวันนี้ก็เป็นมรคะนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่มรคสัจจะคือถ้ากล่าวคำว่าทุกเนี่ยนะทุก ท, ที่ที่เป็นเหตุให้เกิดในภพเนี่ยมีอะไรบ้าง ทุกที่เป็นเหตุให้ให้ให้เกิดในภพต่างๆนะก็ทานกุเจตนาในทานเจตนาในศีลเป็นต้นเนี่ยนะเจตนาเหล่านี้ก็เป็นเป็นเป็นสภาวะเขาอะเป็นทุกขสัตว์อ่านะเป็นทุกข์ด้วยเป็นทุกขสัตว์ด้วยเป็นมรรคด้วยแต่ไม่ใช่มรรคสัตวคือคทุกษนี่ต้องใส่ทุกขสัตไปใชครับคือก็คือพวกนี้มันทุกกับมรรคั้นไม่รู้องค์ธรรมเลยครับ กไ็ไ ห, หนนะใส่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามัน น, นี่มันย่อๆก็พอแล้วทุกข์กับมักสมุทยกับมักอันนี้ก็แสดงว่ากำลังพูดอริยศัสตร์อยู่แล้วละ่ะเกิดธาตุ <c oughs> ถ้าดทุกข์กับทุกขสัตว์นี่นะโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้เคยตัวตัวที่นั้นอ่ะส่วนที่เหลือเนี่ยนะมันเป็นหมายทุกข์กับสมุทัยและมรรคอันนี้หมายถึงสมุทัยสัตว์กับมรรคสัตว์นะนะทุกข์กับมรรคก็หมายถึงทุกขสัตว์และมรรคสัตว์เพราะว่าอริยสัตว์มาคู่กันอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็นถ้าทุกข์ก็ถือว่าทุกขสัตย์อยู่แล้วล่ะซึ่งตารางเหล่านี้นะมันไม่ใช่ถ้อยคําที่สมบูรณ์อะไรเป็นถ้อยคําที่เป็นย่อๆเพื่อให้พิจารณาได้นะพอให้ดูเเป็นนนท่าั้อง ทีนี้ในอภิธรรมภาชินีเนี่ยนะซึ่งเขารวบรวมมาจากสัจจะวิพังก็แก้หน่อยนะช่องที่สองช่องที่สองนะเห็นไหมกิเลสและอาคุโสลธรรมที่เหลืออาคุศลมูลสาอาตัวนั้นเนี่ยอานําหน้านี่ผิดนะเอาอาออกอาคุศลมูลสามนี่ต้องเป็นกุโสลมูลสา และอากุศลธรรมที่เหลือที่เป็นอ่และอากุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะเนี่ยนะอากุศลธรรมนี้เอาอออกกินกันท่านอาเอาศอกเอาออกสองครั้งกันนะที่ถูกเป็นว่ากิเลสและอากุศลธรรมที่เหลือกุศลมูลสและกุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะวิบากแห่งกุศลและอากุศลที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ธรรมะเนี่ยนะอาสวะเนี่ยธรรมะที่เป็นกิริยากรรมวิบากรูปทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นทุกข์อันนี้ เ, เรียกว่าขอบเขตของทุกขสัตว์นะนะทุกขสัตว์นี่กว้างใช่ไหมกิเลสและอกุศลธรรมที่เหลือจากอะไรเหลือจากตัณหาเหลือจากตัณหานะกุศลมูล3กุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี้หมายถึงโลกียากุศลทุกชนิด วิบากแห่งกุศลและอกุศลที่เป็นอารมณ์ของอาสวะกิริยากิริยาจิตเจตสิกเนี่ยนะกรรมวิบากอันนี้หมายถึงตัววิบาศกนะรูปทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็คือนับเนื่องในทุกขสัจจะนั่นเองส่วนสมุทยัยสัจจะคือตัณหา กิเลสที่เหลื อ, อกุศลธรรมที่เหลือกุศลมูลที่เป็นอารมณ์ของอาสะวะกุศลธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสะวะที่เหลือนี้เรียกว่าทุกขสมุททูทัยที่จริงในในเอกสารเนี่ยมันเขาทํามาไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะถ้าถ้าไปดูในสัจจะวิพังอภิธรรมภาชนีเนี่ยจะอ่านชัดอ่านง่ายกว่านี้เยอะนะเพราะว่าตรงจริงๆเขาแบ่งวาระมาแล้วก็ไม่ได้ขีดตารางขั้นไปอีกนะซึ่งก็ เพียงแต่ว่าศึกษาได้คร่าวๆเท่านั้นเองพันธาจะให้ดีจริงๆก็ดูตามสัจจะวิพังอ่ะนะอภิธรรมภาชินีเล่ม77เนะเล่มเ7ก็ไปดูเอาแน่นอนกว่าเยอะในตารางนี้ก็ไม่อยากอ่านนะในตอนลางๆมาก็เพราะว่าไม่ค่อยสมบูรณ์คือคือคนทํเนี่ยอ่านแล้วดูแล้วเข้าใจเลยแต่คนที่มาดูตามอย่างนี้โดยที่ไม่ได้ไปดูในอภิธรรมปิฎกมาในค่อนข้างจะสับสนเพราะว่าขีดตารางน้อยไปนั่นเอง เองก็ต้องมาแบ่งเป็นเป็นรอบที่หนึ่งนะเขามีเป็นรอบรอบตั้งตั้งรอบแบบนี้นะรอบแบบนี้ว่าหนึ่งข้อแรกก่อนนะสมุทัยสมุทยาาัยสัจจะสมุทยาาัยสัจจะคืออะไรคือตัณหาใช่ไหมสมุทัยสัจจะคือตัณหาเพราะฉะนั้นทุกขสัจ คือจำง่ายๆว่าโลกิยาทำทุกชนิดที่เว้นตันหาเป็นทุกขัสัจจะเนี่ยนะสรุปว่าโลกิยะนะีโลกิยะเวน้นตันหาซะอันนี้เป็นทุกขัสัจจะส่วนนิโรสัจจะง่ายๆก็คือดับตัวสมุทัยคือดับตันหามัคขัสัจก็คือมัคมีองแปดเนี่ยนะอันนี้ง่าย อันนี้วาระที่หนึ่งเป็นยังไงวาระที่สองดูที่สมุทัยสัตว์เลยว่าตันหาและอากุศลที่เหลือตันหาและอากุศลที่เหลือทั้งหมดนะเป็นสมุทัยสมุทัยสัตว์จะเนี่ยนะส่วนอากุศล อันนะ่ะวิบากกิริยากุศลพวกนี้เป็นทุกขสลลัจอากุศลวิบากกิริยาหรือแม้กระทั่งกุศลก็เป็นเป็นไรสัรจะเป็นทุกขสัจจะคือเวน้นเว้นตัณหาและอากุศลที่เหลือซะเว้นตัณหาและอกุศลที่เหลือทั้งหมดนี้เป็นทุกขสัจจะหมดอันนี้ณนะวารอบที่สองเป็นอย่างนี้รอบที่สาม ตันหาด้วยอกุศลด้วยและกุศลมูลกุศลที่เป็นอารมณ์ของอาสวะกุศลธรรมทั้งหมดเป็นสรุปว่ากุศลอกุศลทั้งหมดะนะเป็นสมุทยาาัยสัจจรูปวิบากกิริยาเป็นทุกขสัจเนียนะเป็นผลอันนะ เพราะฉะนั้นกุศลและอกุศลทั้งหมดนะนะจำง่ายๆว่ากุศลและอกุศลทั้งหมดเป็น okay, okay. เป็นสมุทยัย <Okay. S 1> นะวิบากกิริยารูปเป็นทุกข์นะ <Okay. S 1> เขาเขาแบ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าถ้าไปดูในสัจจะวิพังก็จะเห็นชัดดีไม่ได้ทำํำ <c oughs> <c oughs> คุณธารินีทําให้คือในช่องทุกเนี่ยนะฮะทุกทุกขสัตว์เนี่ยนะทบางอย่างนะฮะเป็นทุกขสัตว์แต่ไม่ใช่ทุกคื อ, อาจากคนละช่องแล้วนะคืออย่างอย่างตรงเนี้ยตรงเนี้ยถือว่าสมุทัยหมดเลยนะสมุทัยตามอภิธรรมภาชนีหมดเลยเป็นเป็นสมุทยาศาสตร์จะด้วยนะ กุศลตรงนี้เป็นสมุทยัยสัจจะด้วยคือวาระแรกนั้นพระผู้มีพระภาคแสดงว่าตัณหาเป็นสมุทยัยสัจแบบที่เราคุ้นเคยกันเลยนะพอวาระที่สองแสดงว่าตัณหาอะและอากุศลทุกชนิดเป็นสมุทยัยสัจจะพอรอบที่สามตัณหาอากุศลกุศ ล, ลมูลและกุศ ล, ละธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะทั้งหมดเป็นสมุทยัยสัจจะ มันก็คือคือแบ่งอยู่3ามวาระด้วยกันก็วิธีคิดง่ายๆก็คือมีอยู่สามในอ่ะนะเป็นการแสดงสมุทรยศัสตร์3ามในคงคงได้นะหนึ่งนะในที่หนึ่งปัญหาอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็น สมุทยัยสัจจะในที่สองตัณหาและอกุศลธรรมทุกชนิดเป็นสมุทยัยสัจจะในที่สามตัณหาอากุศลและกุศลทุกชนิดเป็นสมุทยัยสัจจะทั้งก็สใน ในแง่ของตารางก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะเพราะส่วนรายละเอียดในหน้าตารางหน้าสุดท้ายเนี่ยเราจะดูได้จากสัตว์จาวิพังนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเขาเอาเพิ่มมาให้ดูเฉยๆเอาเพิ่มมาประกอบการพิจารณา